วันนี้เป็นวันที่22มกราคมพุทธศักราช2 5งพวันนี้หลวงพ่อคงจะได้ไปไประชุมที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเกี่ยวกับมอบอาคารตึกหนีไฟ ก, กับคณะกรรมการแล้วจะมอบวันไหนวันนี้จะเป็นการหารือกันประชุมกันเพราะตึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาตุลาพฤศจิกาแต่หลวงพ่อก็ไปในงานของหลวงปู่จามในช่วงนั้นก็เลยพักไว้ก่อนแต่เมื่อเสร็จงานหลวงปู่จามหลวงพ่อกลับมาตั้งแต่วันที่เจ็ดมกราก็ได้ไปชุมหาลือกันว่าจะมอบอาคารตึกหนีไฟ ที่เราสร้างสิชั้นที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรใช้งบทั้งหมด80กว่าล้านนะเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ปัจจัยก็ยังเหลือเป็นบางส่วนเมื่อปัจจัยเหลือหลวงพ่อก็ยังคิดว่าน่าจะตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อจะดูแลพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์อุดร ไม่ว่าวัดบ้านไม่ว่าวัดป่าไม่ว่ามหานิกายธรรมยุทธ์ไม่ว่าพระจีนพระยวนพระลาวพระทั่วโลกของพระพุทธศาสนาและก็ชีผู้ปฏิบัติตั้งฝ่ายอุบาสิกาที่บวชมาเป็นชีออกจากบ้านเรือนมาแล้วไม่มีเขือญาติแล้วก็คงจะมุลนิธินี้น่าจะคุ้มครองด้วย หลวงพ่อคิดว่านะเดี๋ยวจะไปหารือกันเหมือนกับมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นโพริทัตโตที่ศรีนครินจังหวัดขอนแก่นที่หลวงพ่อเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นโพริทัตโตที่ดูแลพระสงฆ์และก็ควบคุมถึงผู้ปฏิบัติธรรมคือแมช่ชีด้วยนั้นก็ สร้างมาได้เป็นปีที่ที่หนะนะหจะเข้าปีที่เจดแล้วแังนั้นก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จรวบดีเอืออำนวยให้กับพระสงฆ์อย่างท่าน้าคุณอุดรรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรท่านก็ไป น, นอนป่วยอยู่ที่นั่นสีปีกว่าแล้วอยู่ในตึกเนี่ยนะ ชั้นตึกสงอาพาธ ท, ที่หลวงพ่อไปสร้างไว้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นมูนิธิไว้เนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีมหาวีโรก็เคยเข้าไปห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้หลวงปู่สิงห์สิงห์ทองบ้านกุดแห่อำเภอเลื่องนกทาจังหวัดยโสธรทัานก็เวียนเข้าออกอยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลาองค์ที่เข้าไป ที่ดูแลรักษาหลวงพ่อเองเป็นผู้ริเริ่มได้คิดดูแลสร้างอาคารสร้างห้องใช้สร้างอาคารตกแต่งห้องแล้วก็ตั้งมูลนิธิหลวงพ่อก็เออทำถูกเพื่อจะได้ดูแลพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้้ามา ใช้มูลนิธิแล้วก็ตึกห้องนี้ด้วยทีนี้นก็มาคิดถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรทีหลวงพ่อเข้าไปให้เครื่องมือแพทย์แล้วก็เป็นจังหวัดขององค์หลวงตาพ่อแม่กูบายจารย์เราด้วยก็น่าจะเป็นมูลนิธิขึ้นมาแต่ทีแรกก็คิดว่าจะเป็นมูลนิธหิหออภิบาลสงหลวงตามหาบวญยสัมปันโนแต่ พอดูๆแล้วมันคงจะขึ้นยากพอลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตามีมากหลากหลายนานาจิตต่างนานาทัศนะขนาดจะสร้างเจดีย์ก็ยังมีเงินอยู่แล้วก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะความคิดเห็นมมากหลากหลายนี่ก็หลวงพ่อก็ยังมาคิดอีกเหมือนกันในจุดนี้หลวงพ่อก็เลยคิดว่าจะน่าจะเอาเป็นมูลนิธิของเราก่อนและจะตั้งชื่อว่ายังไงค่อยว่ากัน แล้วก็ในเมื่อมูลนิธิของหลวงตาขึ้นมาแล้วก็มีความเห็นตรงกันมีความเห็นสอดคล้องกันเราอาจจะยุคมูลนิธิของเราที่ตั้งขึ้นมาก่อนเนี่ยเข้าไปในหมบใไปเป็นของหลวงตาไปเลยเพราะว่าเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่จะแซงซ้ายแซงขวาแซงหน้าแซงหลังแซง แข็งบา ร, รมีของหลวงตาแต่เรามองดูแล้วมันดูดูแล้วมันจะขึ้นยากเรานในเมื่อมันขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องขึ้นก่อนซ ะ, เ, ะเพื่อจะได้ดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวี่ทุกวัน อ, อยู่แล้วจะต้องได้ใช้จตุปัจจัยดูแลรักษาอย่างที่ครูบาอาจารย์จังหวัดชัยภูมิเมื่อกลางพรรษานะ ทางศรีนครินเขาโขามีจดหมายบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยที่เป็นประธานประธานมูลนิธิเนี่ยทุนนิธิมูลนิธิด้วยอยากจะให้หลวงพ่ออนุมัติค่าใช้จ่ายพ่อพระเีระป่วยจะได้ใช้ยาเกี่ยวกับมะเร็งเข็มละแสนจะต้องใช้แปดเข็มหลวงพ่อก็อื้อ ได้อนุมัติออกไป5 0 0แสนโอนเงินไปให้เพื่อดูแลรักษา5 0 0แสนแล้วก็อีก3 0 0แสนท้าว่าลูกศิษย์ลูกหาจัทไายญาตโยมไม่มีนก็บอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการให้อีก3 0 0แสนแต่อันนี้ขอให้5 0 0แสนไปก่อนก็ยังเงียบอยู่เพราะยังไม่ถึง5เดือนนะพอเดือนละเดือนละแสนนี่แหละ สรุปแล้วก็คือจตุปัจจัยหมูลนิธิเนี่ยมันจำเป็นบางครั้งสำหรับภาคเถระผู้ใหญ่ป่วยแบบกระทันหันลูกศิษย์ลูกหายังรวบรวมกันไม่ทันนต้องอาศัยหมูลนิธิหรือทุนนิธิไปพรังพลางก่อนนี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้ไปไประชมุมหาหรือกับคณะกรรมการคณะแพทย์หรือคณะสัทธาญาตโยมลูกศิษย์ลูกหาใช้ช่ว ย, ช, วยช่วยการคิด เพื่อดูแลบำรุงพระพุทธศาสนานี่แหละคือจุดหนึ่งพวกเราควรจะทราบในเรื่องต่างๆของวัดของกลุ่มของพวกเราไปยังไงมาอย่างไงมีปัญหาอะไรนี่แหละปัญหาภายนอกแต่ส่วนปัญหาภายในของเราก็คือเรื่องจิตตภาวนาของใครของเราอันนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะทำอะไรก็เถอะ พยามัจยุราชถือดาบเดินย่องตามหลังเราอยู่มาตลอด เ, เราก็แก่แก่แก่ไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะหนาวถึงจะร้อนฝนตกฟ้าร้องอยังไงก็ให้ให้ภาวนาให้นึกถึงอนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเอาไว้ชีวิตของพวกเราเห็นไหม ใครอยู่โชว์ฟ้าดินสลายพวกเราเห็นไหมตายไปก่อนเราไม่รู้กี่คนวันวานมันก่อนกันสามสิบกว่าบางคนน่ก็หกสิบกว่าเนะอยังน้อยมากหลวงพ่อน่หกสิบเก้าแล้วอไมไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นชีวิตของพวกเราอย่าไปคิดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะตาย มันตายได้ทุกเวล่ำเวลาเหมือนกับผลไม้อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบผลมะม่วงอพอออกดอกมาเม็ดเล็กๆไะมันก็หล่นได้เท่าเม็ดข้าวโพดมันก็หล่นได้อใหญ่ขึ้นมาก็หล่นได้แต่มะม่วงทุกใบไม่มีใบไหนข้ามปีหล่นทุกใบนี่ก็เหมือนกันเอพวกเราเกิดมาแล้วเอ เกิดมาตายแต่เล็กแต่น้อยก็มีเป็นหนุ่มเป็นสาวตายก็มีแต่ไม่มีคนไหนที่จะอยู่ตลอดไปไม่มีล่วงโรยหล่นทุกคนอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์แต่สาหรับเราในพูดคือธรรมชาติเราก็มองอย่างงั้นแหละแต่มาเจอกับพวกเราท่านทั้งหลายแล้วไม่ใช่ธรรมชาตินะ มาเจอกับเราแนละ้วมันวันไหวกวแขว่งพอสมควรเรื่องมรณะภัยที่จะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมคิดเอาไว้เมรณะนังเมผาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแล้วคุณงามความดีของข้าพเจ้าเพียงพอหรือ ย, อยังที่จะเราจะไปสู่ประโลกภายภาคหน้าบุญกุศล เตรียมพร้อมหรื อ, อยังเพียงพอหรื อ, อยังถ้านเรายังไม่เพียงพอเรายังไม่อุ่นใจเราก็ควรจะประกอบคุณงามความดีของเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวถึงจะร้อนถึงจะหนาวถึงจะฤดูการผ่านไปชีวิตของเราก็ไหลไปเปรื่อยพัญามั จ, จุราชคือมรณะภัยถือดาบ เดินย่องตามหลังเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเป็นจังหวะของพญาบรรจุราชที่จะห้ามหันทำร้ายทำลายบั่นทอนตัดคอของเราให้กระเด็นเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและท่านให้คิดไว้อยู่เสมอดีกว่าไม่คิด ถ้าไม่คิดเน่ถึงวันนั้นมาเน่ยมันจะสถานวันไหวแกงไวยเกินไกลร้ลองโ h มร้องไห้กับเท่านั้นหัวเราะก็เท่านั้นเสียใจก็เท่านั้นเพราะนั้นถ้าเราคิดไว้ก่อนอีกสักวันหนึ่งนะเรานะจะท่องถึงวันนั้นถ้าเราคิดไว้อย่างนี้ในใจเสมอ น, น่นละถึงจะมีวันนั้นขึ้นมาเราก็รับได้คล้ายว่า ทำใจได้เพราะเราได้คิดไว้อย่างมากมายว่าพอแรงแล้วแต่โดยมากก็ายากนะผู้ดังนี้ทั้งนั้นมันผูด้ได้แต่มาถึงวันนั้นจริงๆของเจอของจริงเข้าจริงๆน่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะอเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมไว้แต็มเนินให้ภาวนาเอาไว้ร่างกายสังขารมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งนะต้องทิ้งมันต้องไปสู่สภาพของมันดินน้ำลมไฟ แต่มีแต่ใจเท่านะั้นคือนามรรมาทาตัวผู้รู้อยูน่นะตัวรู้รู้นะตัวนี่แหละสำคัญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจที่ตัวรูนะ้ตัวนี่แหละสำคัญกว่าพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาะนะไปค้นคว้าศึกษาตัวรูนะ้ร เ, เ, เนี่ยนะตัวนี่แหละท่านจึงให้ความสำคัญ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศึกษามันอยู่ที่ใจทั้งหมดล่ะความบริสุทธิ์หลุดพ้นดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจมักผลนิพพานก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นความรู้ความฉลาดความโง่มันก็อยู่ที่ใจอีกเหมือนกันสิ่งที่ไม่รู้ก็อยู่ที่ใจความรู้ก็อยู่ที่ใจ ทุกสึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยใจนะ น, นั้นกับการภาวนาให้ดูใจท่านให้ดูใจนะภาวนานะไม่ดูที่อื่นนะดูข้างนอกก็ดูดูความแก่ความเจ็บความตายดูร่างกายสังขารดูดินฟ้าอากาศดูธาตุสีขันหาดูร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายนะก็ให้ดูแต่ผที่สุด มันดูเหล่านั้นคือดูอปลายมือเฉยๆแต่ดูต้นตอของ เ, อเรื่องของเรื่องกันให้ดูใจนั่นนะตัวผู้รู้ให้ดูเข้ามาจุดนี้นจุดนี้แหละเป็นจุดที่ตัวที่ตัวการใหญ่ที่จะรู้มรู้ผลปล่อยวางอยู่จุดนี้ละ่ะอันรับพรอ น, อนโมทนาให้พร